วันนี้เป็นวันพระแรมสิบห้าค่ำเดือนเจแต่ก็แปลกเหมือนกันนะมีคนกัเมื่อวานวัด14คำ่ำเมื่อวานนะี่แต่บางคนกับวันนี้สีิบห้าค่ำแต่ตามไม่จริงโบรัมโบราณก็ว่า14คำ่ำเดือนเจ็มันเดือนขี่ใช่ไหมมันก็ต้องดับสิบสี่เดือนคู่ดับสิบแต่คราวนี้เดือนเจ็มันดับสิบห้าแปลกเหมือนกัน แต่ลุงพ่อก็ไม่ได้ดูปฏิทินชัดเจนลุงพ่อก็มีภาระมากอย่างว่านั่นนะอาจจะถูกก็ได้ถูกกับผิดก็ไม่เป็นไรหรอกวันไหนเป็นวันทําบุญเป็นวันสร้างบุญสร้างกุศลก็เป็นวันสําคัญทั้งนั้นแหละถึงจะสําคัญขนาดไหนเป็นวันพระใหญ่ขนาดไหนแต่เราไปกินเหล้าซะมันก็ไม่สําคัญอย่างเก่านั่นแหละแต่ไม่ใช่วันสิบห้าค่ำแต่เป็นวันค่ำไหนก็เถอะแต่เราสร้างคุณงามความดี มันก็เป็นบุญกุศลเข้าสู่จิตใจของพวกเราเท่านั้นล่ะวันคืนเดือนปีถ้าจะว่าไปแล้วก็ไม่สําคัญถ้าว่าจิตขึ้นอยู่ในระดับหนึ่งแต่ถ้าว่าจิตใจยังตุปัตตุเปกกายวาจาจใจของเรายังตุปัตตุเปะมันก็ต้องหาวันถ้าไม่หาวันก็ไม่ได้เท่นี่เดี๋ยวก็วันไหนก็วันเก่าวันไหนก็วันเก่าเลยหาวันดิบวันดีหาวันเป็นสิริมงคลไม่ได้หาวันขาวไม่ได้มีแต่วันดาตลอด เพราะนั้นนักปราชญ์ราชสมบัฑิตทั้งหลายท่านจึงจัดให้มีวันพระวันโกนวัน8ปดค่ำสิบห้าค่ำก็ให้พวกพุทธบริษัทสี่ได้สำเนีกสำนึกไว้ว่าเออวันพระของเรานลนะถึงจะมีการงานอย่างไรเราก็ควรจะหยุดการงานไว้ก่อนควรจะไหวพระสวดมนต์รักษาศีลภาวนารักษากายวาจาใจของเราเมื่อ พ้นผ่านวันพระไปแล้วก็เออเอายังคอยทําหน้าที่การงานเสา ะ, ะแสวงหาทรัพย์ทำมาหาเลี้ยงชีพต่อไปอันนี้ก็คือโบราณเขาจัดให้มีวันขึ้นมาเพื่อให้พวกเราสํเนลียกสานึกเพราะทางว่าไม่มีวันเวลาจะเลยก็พวกเราก็าลุ่มหลงมัวเมาจนไม่มีวันหยุดงั้นเถอะไม่มีวันสร้างคุณงามความดีเพราะนั้นจึงมีวันพระขึ้นมานี่แนหะ แต่ตามไม่จริงทําดีวันไหนก็ดีเวลานั้นวันนั้นน่ะทำดีวันไหนกับ ว, ว, ว, วันนั้นดีถ้าหากว่าทําชั่ววันไหนกับวันนั้นและชั่วอ่เพราะฉะนั้นพวกเราให้สําเหนียกสํานึกไว้อยู่เสมออันนี้ก็คือการสมมุติของคนโบราณแต่ความเป็นจริงเนื้อหาสาระเนื้อแท้จริงๆนั้นทําดีคู่ใดขณะใดเวลาใดวันใดเดือนใดปีใด คูนั่นแหละขณะนั่นแหละเวลานั่นแหละวันนั้นแหละเดือนนั่นแหละปีนั่นแหละเป็นปีดีเดือนดีแต่ถ้าทําชั่วแล้วก็ตรงข้ามกันเป็นชั่วทั้งนั้นเหมือนกันเพราะนั้นพระพุทธเจ้าท่านสอนให้พวกเราเน้นในการกระทํามากกว่าอย่างอื่นทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วแต่ว่าทําไม่ดีแล้วจะได้ดีนั้นไม่ได้ถ้าทําไม่ดีจะได้ดีได้ยังไง เมื่อทำไม่ดีก็ต้องได้ชั่วใชเอหถ้าทำชั่วมันจะได้ดีได้ยังไงมันก็ต้องได้ชั่วทำสิ่งไหนได้สิ่งนั้นแต่บางคนก็มาเปรียบเทียบถึงผลอีกบา้างนี่คนนี้โอ้ชั่วแสนชั่วหาความดีไม่ได้แต่เขาก็ได้ดีกิจการของเขาก็ไปได้ดีแต่คนที่ทำดีๆเนี่ยทำไมมันทำกิจการอะไรไม่เ ฟ, ฟื่องฟู ล่มจมอันนี้ก็มีคนมาเปรียบเทียบเหมือนกันมนุษย์ทางหลายมันชอบซอกแซดนะมันชอบมองไปข้างนอกอไม่ชอบมองเข้ามาหาตัวเองเลยไปชอบมองไปอย่างนั้นพอมองไปแล้วทีนี้ก็เห็นอย่างนั้นเห็นอย่างนั้นก็เลยมาคิดแต่ตามไม่จริงถ้าคิดมันก็ไม่ผิดแต่คิดในปัจจุบันแต่ น, นี้การกระทําม้อนวานมันก่อนนะ ชาติก่อนล่ะชาติก่อนๆล่ะเราทําอะไรไว้บ้างนะผลมันสืบเนื่องได้บา้างแคลมคือการกระทําในอดีตไม่ใช่แต่ชาติก่อนชาตินี้แหละเราได้ทําอะไรไว้บ้างบางทีก็ทําให้คนเห็นบ้างไม่ให้คนเห็นบ้างเอทําในที่มืดบ้างทําในที่ลับบ้างอทําในที่แจ้งบ้างแล้วเราทําอะไรเอาไว้และกรรมนั้นอนะ่ะแล้วจะมาตามสนองเรา วัน น, นนั้นกรรมตัวนั้นน่ะมันต้องตามสนองพอเรามายืนอยู่จุดนี้ในขณะที่กิจการงานของเราไม่ก้าวหน้าก็เพราะกรรมชั่วให้ผลกรรมชั่วกําลังให้ผลอยู่กรรมดีนั้นอยู่อีกมุมหนึ่งเหมือนกนเถอะอยู่อีกข้างหนึ่งกรรมชั่วกําลังเล่นงานอยู่เหมือนกับคนทําความดีทําดีขนาดไหนก็ ท, ทําเถอะแต่ตัวเองไปทําความชั่ว ก, ก็จับเข้าคุกเงินคําทรัพย์สมบัติที่หามาได้มากๆ ทำไมไม่ไปช่วยเขาไปช่วยได้ยังไงเพราะประมชั่วเขาจับเขาคุกมันกําลังเล่นงานอยู่เงินคําทรัพย์สมบัติเขาอยู่ทางนอกออกนอกคุกอยู่รออยู่เยแต่เผื่อๆบางคนที่เขาติดคุกติดตารางออกมาเนี่ยรวยของเราก็มีจังเยอะแยะนะ เ, นเพราะเหตุอะไรก็เพราะว่าเขาพ้นจากคุกแล้วเขาพ้นจากบาปตัวนั้นแล้วก็เลยออกมานี่ก็ร่ํารวยแต่ถ้าหว่าตัวเองทํา ความชั่วอยู่ตลอดทั้งติดคุกด้วยออกมากระทุกอีกอย่างเก่าเพราะเหตุไรเพราะไม่ได้สร้างคุณงามความดีเอาไว้ทําแต่กรรมชั่วตลอดเป็นอาจินทําความชั่วเป็นอาจินทําความชั่วตลอดไม่ได้สร้างคุณงามความดีเอาไว้เข้าไปในคุกกกระทุกออกมาแล้วกระทุ ก, อ, กอีกเพราะกรรมดีไม่ได้สนองแต่บางคนที่ว่านั่นก็คือทั้งทำทั้งกรรมดีกรรมดีเขาทําอย่างมาก แต่ว่าอดีตเขาไปทํากรรมชั่วซะด้วยอารมณ์ช่ววูบอ่าไปฆ่าคู่ฆ่าคนซะอ่ไปตีอะไรเข้าซะทําอะไรเสียหายกินซะเขาก็จับเข้าคุกพอจับเข้าคุกแต่นี่คนนี้ก็หมดสภาพแล้วใช่ไหมไม่ใช่อย่างนั้นเพราะเขาทําความดีไว้อยู่เขาสร้างฐานะไว้อยู่ในเมื่อหมดกรรมหมดเวรที่ตัวเองทําแล้วก็กลับออกมา กรรมดีก็ส่งเสริมขึ้นไปอีกนี่แหละสรุปแล้วก็คือทำกรรมดีและทำกรรมชั่วทั้งสองอย่างนี่ไม่หายไปไหนมันอยู่ในหัวใจของเราทั้งสองอย่างเหมือนกับมะพร้าวสองหนออย่างนั้นน่ะมะพร้าวลูกหนึ่งมีสองหนออยนั้นอันหนึ่งหนอบุญอันหนึ่งหนอบาปถ้าใครจะทำบาปมากกว่าบาปมันก็งอกมีกำลังมากกว่าหนอบุญก็หงอยอย่างนั้นนแต่ถ้าหากว่า ทำบุญมากหนอบุญก็สูงขึ้นเหงือนกันเะหน่อบาปนี่ก็หง่อยถ้าว่าทําทั้งกรรมดีทั้งกรรมชั่วบุญก็หับบาปก็หิว้วเออมันก็คู่ขี้กันไปเหมือนกันเถอะแต่โดยมากมันจะไม่เป็นอย่างนั้นนะโดยมากมันจะไม่ข้างใดก็ข้างหนึ่งอนะมากกว่ากันเพราะนั้นไม่มีใครที่จะรู้ยิ่งกว่าตัวของเราเองเราเกิดมาในภพนี้ชาตินี้เราหนักไปทางไหน เราหนักไปทางบุญหรือหนักไปทางบาปเราตื่นอนขึ้นมาเรานึกคิดเรื่องอะไรมากกว่าเราทำดีหรือเราทำชั่วถ้าเราทำดีก็น้อมจิตไปทางกุศลไหว้พระสวดมนต์ครบบิดามารดาทำอะไรก็มีแต่ความเอื้อเฟือ้อเอื่ออารีเมตตาช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์จิตใจเป็นกุศล แต่บางคนเกิดมามีแต่ชักชวนไปหากินเหล้าเมายาสุลานารีภาสีกิลาบัตรป่นจีโคดโกงคิดไปในทางโลภโกรดหลงอย่างนั้นแปลว่าเกิดแต่ละวันคิดไปแต่ในทางที่ชั่วเพราะนั้นไม่มีใครที่จะรู้ยิ่งกว่าตัวของเราเพราะฉะนั้นพวกเราให้ตรวจตราดูตัวของเรานะถ้าหากว่าเรามีแต่หวังผลดี ผลความสุขความเจริญมีตหวังผลอยากจะให้ร่ําให้รวยให้มีความสุขแต่ว่าการกระทําของเราความคิดของเราการพูดของเราไปในทที่ไม่ดีไปในทางอากุศ ล, ลกรรมแล้วความดีทั้งหลายจะให้ผลเราอย่างไรเราจะไปมุ่งแต่ผลสิ่งที่ดีแต่ว่าการกระทําของเรากายวาจาใจของเราไปในทำไปสิ่งที่ชั่ว มันก็ต้องได้รับผลที่ต่ําผลที่ไม่พึงปรารถนาเพราะฉนั้นพวกเราท่านทั้งหลายให้ตะ อ, อกตั้งใจนะสร้างคุณงามความดีสั่งสมบุญเอาไว้พระอัครสาวกพระสาวกทั้งหลายที่พวกเราได้เห็นอย่างพระโมกขาลากะทัถูกโจรฆ่าเพราะเหตุอะไรเพราะท่านทํากรรมชั่วในอดีตเอาไว้แต่ในชาติที่ท่านทํากรรมดีอย่างมากๆและก็มีหลายองค์หลายๆท่านที่ได้รับกรรมชั่ว ตามติดของท่านแต่ท่านเขาไม่สะท้านไม่หวั่นไหวเพราะใจของท่านข้ามฝั่งไปแล้วที่ทําพวกกรรมชั่วทั้งหลายตามไปกรรมไปก็ไปเผาเรือท่านเองแต่ตัวของเขาข้ามฝากไปแล้วน่ก็เผาก็เผาไปอันนี้ก็เหมือนกันนะั่นะกรรมชั่วเผาได้แต่เรือคือเรือคือร่างกายของท่านแต่ส่วนจิตใจของท่านน่ยข้ามฝั่งไปแล้ว เ, เข้าสู่แดนอวกาศ ของจิตไปแล้วเป็นอนันตาการนิพพานังปรามังสุขขังไปแล้วไม่มากลับมาอีกแล้วกรัมทั้งหลายก็ตามไปถึงแต่เรือท่านเองแต่ใจของท่านไม่มาอีแล้วไม่มาวก ม, มาวนอีกแล้วไปเลยเพรางั้นท่านนี่นนแหละแต่พวกเราท่านทั้งหลายไม่เป็นอย่างนั้นสิพอกลัมเข้ามาถึงแล้วก็มาถึงเรือแล้วก็เห็นคนในเรืออีกเพางั้นท่านทุบคนในเรืออีก ไฟเผาเรืออีกร่างกายก็ตายจิตใจก็ทนทุกทรมานรลที่สุดใช้กรรมอีกพอเราทำกรรมหนักเอาไว้ไปตกนรกหมกไหมอีกเกิดมาอีกกรรมตามฐานอีกออกมาชกมาฆ่ามาตีอีกตกไปอีกกว่าที่จะเบาบางกว่าจะพ้นโทษได้เพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ใครเป็นผู้รู้ใครเป็นผู้เห็น พระพุทธเจ้าพระหันสาวกท่านมียาณทัศนะท่านรู้ได้นะท่านภาวนาท่านรู้ได้ว่าการเป็นมากของวิญญาณดวงนี้เป็นยังไงใจของท่านผู้นี้เป็นยังไงเพราะฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายนะถ้าพวกเราเชื่อในครูบาอาจารย์เชื่อในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เชื่อครูบาอาจารย์แล้คุณงามความดีเอาไว้ถึงยังไงก็ไม่เดือดร้อนทําคุณงามความดีในภพนี้ชาตินี้ก็ไม่เดือดร้อน ไปที่ไหนมีแต่คนยกย่องนับถือมีแต่คนสรรเสริญเยินยอถ้าคนทําคุณงามความดีตรงกันข้ามถ้าหากว่าทํากรรมชั่วแล้วนั่นแหละไปที่ไหนเขาขยะขยะขยังไปหมดไปพบค้าสมาคมกับใครเขาก็กลัวเพราะนั้นการสร้างคุณงามความดีเนะีมันเป็นที่ยอมรับของชนทั้งหลายคนทั้งหลายระดับสูงระดับต่ําระดับไหนเขาก็ยอมรับทั้งนั่นแหละ แต่หาว่าทำกรรมที่ไม่ดีทำสิ่งที่ไม่ดีเอาไว้ใครๆก็กลัวไปหมดไม่มันเสียหายในภพนี้ชาตินี้มนุษย์ก็ไม่ยอมรับเสียหายหลวงพ่อได้ไปอ่านหนังสืเอเขาไปเที่ยวที่เบตฟังฟังดูแล้วก็นึกขำนะเขาว่าเวลาคนตายเสร็จแล้วเขาจะมีพวกสงวิ ญ, ญาณมันมีได้เหมือนกับพระแต่ไม่ใช่พระเป็นโยม ส่งวิญญาณแต่เมืองเขามันมีแต่หินล้วนทั้งหมดเามือนกันนะเป็นหินทั้งหมดหาฝืนที่จะเผาคนก็หาไม่ได้เพราะไม่รู้จะปลูกต้นไม้เสร็ตรงไหนมันเป็นหินเามือนกันน ะ, ะแต่มันประเทศที่หนาวมากอีกต่างหากเวลาคนตายเสร็จแล้วเนี่ยไอ้คนที่วัดส่งดวงวิญญาณนั่นอนะ่ะไปตรวจตาดูก็ว่าเลิกกระหม่อมดูนะทะลกกระหม่อมออกมาดูถ้าเห็นรูที่กระหม่อมแสดงว่าวิญญาณคนนั้นเป็นผู้มีบุญออกทางกระหม่อมเหมือนกันนะ วิญญาณออกทางกระหม่อมออกทางหัวออกทางกะโหลกทิศะข้างบนอันนั้นเป็นว่าเป็นผู้มีบุญเหมือนกะนเขาจะบอกได้เหมือนกันแต่คนมีบาปไม่ไม่รูเหมืนนแต่แต่นี้คนมีบุญเ น, นี่ยออเอามาก็ก็ะยำยำตัดเนี่ตัดแข้งตัดขายโยนให้อีแรงกินเลี้ยงอีแรงเหมือนกันเะเอยโยนให้อีแร้งกินอพอโยนอีแร้งเสร็จแล้วกระโหลกทิศะก็มาผ่าอีกตันึงก็มาคุกกับข้าวชาลีให้หัวหน้าแร้งกินเหมือนกัน หัวหน้าเลี้งกินตัวเดียวแต่ลูกน้องนี่เลี้ยงแถวเขามาเขาว่ากันนะไอ้พวกที่เขาไปเห็นนะไอ้กินกระดูกกินเนื้อของมนุษย์นะแต่มันก็แปลกเขาว่ากันนะไอ้พวกที่ทํำกรรมชั่วทั้งหลายแหล่ประวัติทั้งหลายแหล่เนี่ยทำกรรมชั่วทั้งหลายแหล่กินเหล้าเมายาอะไรพอเอาขึ้นมานี่อีแร้งไม่กินเหมือนกันนะโยนให้อีแรง้งอีแร้งไม่กินแสดงว่าอีแร้งตังเกียรกระทั่งคนชั่วเหมือนเถอะคนทํำกรรมชั่วเนี่อีแร้งไม่กินเหมือนกัน ฟังฟังดูแล้วก็ขำตรงนี้นะอแต่จะเทจ็จจริงยังไงให้ใครไปตามดูกันแล้วกันนะอยู่ที่ที่เบสนะแต่ในหลวงพ่อก็ได้อ่านหนังสือที่เขาเขียนเขียนมาก็รู้สึกว่าแปลกแปล ก, กว่างั้นเถอะเพราะนั้นกรรมชั่วนึ่ขนาดอีแรงก็ยังรังเกียจว่างั้นเถอะบัณฑิตนักปาารารถนาธรรมผู้มีธรรมทั้งหลายจะไม่รังเกียจได้ยังไงเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายอสั่งสมไว้นะสั่งสมคุณงามความดีเอาไว้สิ่งที่มันไม่ดียาทํำ ทำในสิ่งที่มันดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สูงอายุผู้เฒ่าผู้แก่นั่นะสร้างตนสร้างตัวสร้างฐานะมาพอแรงแล้วแต่บัด น, นี้ก็เออเอาน่าจะเพียงพอให้ลูกให้หลานเขาสร้างต่อไปพวกเราท่านทั้งหลายก็เออหันหน้าเ ข, าเขา้าวัดเข้าวาวาพระสวดมนต์รักษาศีลภาวนา ว, วันพระวันเจ้าก็ให้สำเลียกจำนึกไว้อยู่เสมออย่างน้อยไม่มาวัดก็ให้มีศีลห้าไว เออวันนี้เป็นวันพระเออผู้ฆ่าจะรักษาศีลห้าไหว้พระสวดมนต์เอาไว้อันนี้หลวงพ่อว่าก็จะเป็นสิริมงคลสําหรับพวกเราเวลาเราจะใจขาดทุกคนตายเด้ตายแน่แน่เด้ต่อ ๆ, ๆ่งั้นเถอะเตรียมตัวตายไปเลยเออทุกคนต้องตายไม่มีใครที่จะหลีกลี่หนีพ้นไปได้หลวงพ่อพูดอยู่เดียวนี้หลวงพ่อก็ไม่คิดว่าจะจะอยู่ชั่วฟ้าดินสลายเพราะนั้นหลวงพ่อเนีเตรียมตัวไว้อยู่เสมอเพื่อนั่นตั้งอยู่ในความไม่ประมาท ตายก็ตายแล้ว่ะเราสร้างคุณงามความดีเอาไว้แล้วนีหลวงพ่อก็คิดอย่างนั้นอย่างเดียวเหมือนกันเนีเพราะว่าตอต่เตรียมตัวตายอย่างนั้นแต่เพราะฉนั้นพวกเราท่านทั้งหลายนะให้เตรียมตัวเอาไว้อีกวันหนึ่งมาถึงพวกเราเจะได้และเลือกถึงว่าเออผู้ข้านได้สร้างคุณงามความดีสร้างบุญสร้างกุศลเอาไว้แล้วพอสมควรนะีในเมื่อวีซ่ามาถึงอย่างั้นแต่เดี๋ยวนี้พวกเราอรอวีซ่ากันอยู่ พอวีซ่าตกมาเมื่อไหร่ก็เมื่อนั่นแหละเราจะต้องเดินทางไปต่างประเทศข้ามภพข้ามชาติอะไรทีนี้ข้ามภพข้ามชาติไปอีกละ่ะเขาส่งขึ้นเมนนั่นแหละนั่นละ่ะส่งขึ้นเครื่องบินแล้วะงั้นออจากนั้นก็เผาลมีแต่เหลือแต่กระดูกและะ้วป่ะเนี่ดวงวิญญาณมันลุหายไปไหนแต่เราจะไปยังไงที่ไหนถาาว่าเราไม่มีบุญะ บุญกุศลท่านั้นจะเข้าสู่จิตใจของพวกเราไปสู่ภพภูมิที่สูงขึ้นนะอันนี้คือสำหรับพวกเราท่านทั้งหลายที่เป็นครวิญาติโยมส่วนพระสองฆ์องค์ระเจ้าก็พยายามทำจิตทำใจของตัวเองพลิกแพงยังไงจิตใจของเราจึงจะเป็นอริยะบุคคลขึ้นมาได้เป็นพระโสดาสกท า, า, าคาณาคาพระหันไม่มาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏสงสารนีอีกเดินตามแนวแถว พประเพณีเรียประเพณีที่พระพุทธเจา้าพระหัสนสาวกพาเดินมาอันนี้ก็พยายามนะตรวจตราดูกายวาจาใจของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระสง์เนี่ยให้พิจารณากายนั่นะนะกําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกพุทโธพุทโธอันนี้คือหน้าที่และการงานของพระพระนี่ทําหน้าที่อย่างนี้ได้ไม่ได้ทําหน้าที่อย่างอื่นดูใจอย่างเดียวเอใจจะให้มันว้าเวใจจะให้มันทุกข์ใจจะให้มันคิดปุงฟุง้งซ่านใจจะให้มันเออ คิดไปในออกนอกลูก่นอกทางพยายามดูใจขณะนี้ใจเ ร, เราคิดเรื่องอะไรเนี่ยเอาสมาธิเข้าไปจับอเราคิดถูกแล้วเราคิดผิดเราคิดเรื่องอะไรอารมณ์ที่มากระทบเนี่ยเราโมโหให้เขาโกรธให้เขาเนยมันถูกต้องหรือเปล่าเราไปโกรธให้เขาทําไมเนีในเมื่อเขามาพูดกับปากของเขาเรื่องของเขาเราจะไปคิดทําไมเราทําไมจึงว่าเวเอีเราจะมาคิดออกไปข้างนอก เราไมได้อะไรนี่ให้ครับเอาสมาธิจับแล้วก็ น, นั่งหลับตาดูตนเอง น, ะนั่นแหละคืองานของพระเพราะพระเจ้าให้ดูใจนะไม่ให้ดูอย่างอื่นผู้ที่เข้ามาปฏิบัติภายในเนี่ยไมไ่ให้ดูอย่างอื่นเมื่อฉันจังหันเสร็จเรียบร้อยแล้วไปเสา ะ, ะแสวงหามุมสงบโคนต้นไม้ที่แจ้งรอมฟางบ้านว่าง เ, เงื้อมผาที่สงบมุมสงบจากนั้นทากายให้ตรง นั่งคัดสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทํากายให้ตรงดํารงสติเฉพาะหน้ากําหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้หายใจออ ก, าา จ, ออกจากนั้นดูจิตใจของตนเองเราคิดเรื่องอะไรใจของเราปุ่มฟุ่งไปทางไหนขณะนี้อยู่ในปัจจุบันน่ะจิตอยู่ในปัจจุบันนธรรมให้มองเห็น จนถึงอนิจจังของไม่เที่ยงทุกสิ่งทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่ตัวตนของเราจากนั้นจนถึงขั้นปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่นโดยประการทั้งปวงนั่นแหละ อ, องานของพระพระพุทธเจ้าให้ทําอย่างนี้อย่างนี้ก็คือการงานของพระที่แท้จริงแต่งานอย่างอื่นที่เราทําก็เป็นส่วนประกอบ เ, ออเราก็มีส่วนประกอบกิจวัตรขวัดพระพุทธเจ้าก็บัญญัตินะ ปัดกว่าทําความสะอาดเช็ดถูดูห้องน้ําห้องถากันทวัดขอวัดเกี่ยวกับโรงครัวเวชจวัดวัดเกี่ยวกับห้องน้ําเสนาสนวัดวัดเกี่ยวกับศาลากุฏิอาจาริยวัดวัดเกี่ยวกับอาจารย์ควรปฏิบัติกับอาจารย์อย่างไรสัตยิงวิหาริกวัตดอาจารย์จะปฏิบัติกับลูกศิษย์ควรทําอย่างไรเนี่ยอันเทวศิกวัด อย่างนี้เป็นต้นอย่างลุงพ่อเนี่ยเป็นอาจารย์ยะใกล้ค่าว่าแนะนําสั่งสอนอยังไงจะให้ลูกศิษย์ของตัวเองมีความรู้ความฉลาดตลอดถึงญาติโยมที่มาเกี่ยวข้องจะทํำยังไงจะสอนอยังไงจะให้พวกเราทั้งหลายได้ยินได้ฟังให้มีสติมีปัญญาขึ้นมาได้ให้สําเหนียกซํานึกอันนี้คือคืออาจารย์ถ้าต่างคนต่างอยู่เอก็ไม่ได้แต่ขณะที่ทําอย่างนั้นก็ทําอย่างนั้น แต่ที่ว่าทํากายให้ตรงดํารงสติเฉพาะหน้าอันนั้นควรจะทําอันนั้นคือหน้าที่ของพระแต่ประมวนที่ออกมาข้างนอกอันนี้ก็มีเพราะการอยู่ร่วมกันการอยู่อาศัยกันมันก็ต้องมีกิ จ, จวัดขวบวัดประจําวันนี่แหละมันต้องแยกแยะให้ออกทาแยกแยะไม่ออกก็อย่างหวานทําไมว่าโง่ทาไมว่าซื่อบือ้อหรือจะไปว่าอะไรทําอะไรก็หน้าเดียว เพราะนั้นธรรมะของพระเจ้าไม่ใช่ซื่อบืดเด้ไม่ใช่สอนในพระซื่อบืดไม่ใช่สอนในโยมซื่อบือสอนให้โยมคิดให้พระคิดให้ใช้ปัญญาพิจารณาไตรตรองเหตุและผลควรจะทํำยังไงการะเทสะบุคคลนะรับพรในตเนนณนุโมธนาให้พร